50 languages. ห้า d ีกตัวประเทศและภาษาจมาจากลดลดอยู่ในประเทศอังกฤษ ลอนดอนอังกฤษนั่นลีเดเขาพูดภาษาอังกฤษเขาูอิงกฤษมาตนาดุกตานเอมารียมาจากมาดริดมารียมดริดนินดาบันดิตาเลมดริดอยู่ในประเทศสเปนมดริดสเปนนันลีอิด เธอพูดภาษาสเปนเอาวลูสเปนิชมาตันาดุตกาเลปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินปีเตอร์มัตตูมาธาเบอร์ลินนินดาบันดิดดเรเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอร ม, ร, รมันเบอร์ลินเจอรมนียลลีดเด คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมนีวิบรูจเจอร์แมนมาตนาดุตตีระลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนดอนอุนดูราชธานีมาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมาดริดมัตตเบอร์ลินราชธานีการเมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง ราชธานีกลูดุดดากูมัตตูกัดดลดาจักกลูประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปฟ ร, รป ล, ลประเทศอียิปอยู่ในทวีปแอฟริกาอียิปต์แอฟริกาดัลลีอิดประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเซีย ญี Japan, Asia, ่ปุ่นเอเชียตลีอีเดประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาอุ ต, ตรรเอเมริกาตลีอีเดประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามามัธยเอเมริกาตลีอีเดประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้